พระเจ้าก็บอกพวกเรากิจที่ควรทำนะสิ่งที่เราพขะพุทธเจ้าก็สอนสะสอนเยอะแล้วนะที่จริงเราไม่ต้องอ่านหนังสือมากก็ได้นะที่จริงแค่หนังสือธรรมวันเนี่ยถามว่าก็เป็นธรรมะที่เพียงพอบทพระสูตร สั้นๆย่อ ๆ, ๆนะหรือแม้แต่บทธรรมวัชชาธรรมวิญยาอาจจะไม่ใช่บทที่พรนะอาจารย์ท่านตัดตัดเองนะแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็เรียบเรียงแนละ้ว เ, เรียบเรียงคำสรรเสริญบ้างแล้วก็คำสอนนะแบบย่อ ๆ, ๆนะให้กับพวกเราลนะว่าง่ายๆนะ สิ่งที่เราเรียนรู้จ ร, จริงๆก็คือครูอาจารท่าสอนให้เราเห็นเรียนรู้จากความทุกขนะ์นะเราสวดธรรมประชาราจะรู้นอมันทุกข์เกิดเพราะอะไรบ้าง น, น, นะเพราะความแก่ความเจ็บความตายนะเพราะความพัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจนะปนาตานะทิงได้ไม่ได้ทิ้งนั้นนะเป็นทุกขนะ์ เอพวกนี้คือความทุกข์แต่จริงทุกข์ที่มันที่มันเป็นของชีงมากกว่าเือนะความมีอุปทานยึดมั่นในขันทั้งหนะ้าน่ะเป็นตัวทุกว่าเลยยอดเลวนะ<ม>เอาง่ายๆเลยก็คเมื่อไหร่ที่เรามีอุปทานยึดมั่นในขันห้ามันเป็นตัวทุกขนะ์แต่เพราะความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นทุกข์แบบธรรมชาติ ทุกแบบธรรมดานะที่ทุกคนเราก็ต้องเจอนะประถนาจรใดไม่ได้จรนั้นมันก็เป็นทุกข์เพราะว่าถ้าความปรรถนานั้นมันไม่ตรงกับธรรมชาตินะมันก็คือขัดกับความจริงมันเป็นทุกข์เพราะตรงนั้นนะแต่ถ้าเราไม่ปรถนาใดแล้วนะมันก็ไม่เป็นทุกข์นะถ้าเรายังปรถนาอยังอยากนั่นอยากนี่อยู่ต่อไปมันก็เป็นทุกข์เพราะ พราความอยากของเราเนี่ยแหละนะเจอกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เพราะอะไรเรายังมีอไอนี้รักอันนี้ยังเรายังมีอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอยู่ถ้าใจเรายังไม่เป็นการกับทุกข์อยากยังมีสิ่งที่เราชอบก็อยากได้มีสิ่งที่เราไม่ชอบไม่อยากได้นะี่มันยังมีความทุกข์มันเกิดเพราะตรงนี้นะเพราะว่าเราอย่าง มีความให้ค่านะให้ราคากับอนะกับเรื่องชอบเรื่องไม่ชอบเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องสุขเรื่องทุกข์นะหลายคนก็อนะเียดทุกข์กลัวทุกขนะ์ชอบสุขชอบสบายยเราก็ติดแต่ตรง น, นี้แหละนะแต่ถ้าเราละความยึดติดตรง น, นี้ได้มันก็ไม่มีอะไรทุกข์นะมันก็เห็นแล้วว่ามันเป็น เป็นไปนตามสภาพเป็นไปนตามอาการเฉยๆนะทุกอย่างนะแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมดานะได้มาเสียไปก็เป็นธรรมดานะสุขทุกข์ก็เป็นธรรมดาแนตะ่เราปฏิบัติธรรมนะเราก็ไม่ได้ปฏิบัติถ้ามันจะต้องมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายมีแต่ความเบามีแต่ความรู้นะถ้าเราไปคิดไปพลาดบางอย่างนะ มันจะเป็นมันจะเจอกับความสมหวังบ้างความผิดหวังบ้างเพราะธรรมดาปฏิบัติแล้วมันจะเกิดสภาวะแบบไหนเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะบางครั้งก็ง่วงนอนบางครั้งก็ฟุ้งซ่านะบางครั้งก็คิดนะออกุศนะบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ มีปีติมันเป็นธรรมดาที่เราเลือกไม่ได้นะวันนี้ดีวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ดีเนะมื่อวานดีก็คิดว่าวันนี้จะดีแบบเมื่อวานนะเราคิดว่าภาวนาแล้วมันต้องมีมาตรฐานนะนะมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นนะดีดีดีนะป <c oughs> ระจิตเราคิดว่าเราอยากอยากให้เป็นแบบนั้น มันเกณฑ์ไหมพอมันเคยได้แล้วมันไม่ได้มันเป็นทุกข์เพราะเราอยากจะได้แบบที่เคยได้มันยังไม่เคยได้แต่ได้ยินว่าเพื่อนเขาได้เป็นแบบนั้นแบบนี้มันก็อยากจะได้บ้างมันเป็นทุกข์เพราะความอยากจะได้ตามเขาแต่จริงพระเจ้าท่านสอนให้เห็นว่านี่แหละความปรารถนาความอยากพวกนี้แหละมันเป็นตัวทุกข์นะ ไม่ใช่ว่าการได้หรือไม่ได้มันเป็นทุกข์นะความปรารถนาหรือความอยากเนี่ยมันทุกข์ในตัวของมันเองอถ้าเรายอมรับความจริงนะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอยู่กับสภาวะที่มันเป็นจริงในปัจจุบันจิตมันจะหยุดการดิ้นรนเพราะจิตยอมรับสภาวะที่เป็นจริง จิตมันไม่ดิ้นดลนั่นแหละคือสภาวะที่ที่ไม่ทุกขนะ์คือไม่ดิ้นดนนะง่วงก็รู้มันง่วงนะมองความง่วงเป็นส่วนหนึ่งวุ่นวายนะก็มันเป็นเรื่องของความวุ่นวายนะก็มองความวุ่นวายเป็นส่วนหนึ่งถ้านะคิด ก็เรื่องของมันจะสุขก็เรื่องของมันมองเป็นมองมันเป็นเพียงแค่อาการส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะกับกายก็ดีกับใจก็ดีนะถ้าเรามองแบบนี้ได้มันก็สติที่มองเห็นสติที่รับรู้อยู่นะมันจะไม่เข้าเป็นสุขเป็นทุกข์ด้วยนะมันมองเห็นความง่วงเป็นส่วนของมันวุ่นวายก็ส่วนของมัน ว่องเป็นส่วนของกายบ้างใจบ้างนะบุ่นวายเป็นเรื่องข้างนอกบ้างเป็นเรื่องจิตที่มันปุงเองของมันบ้า ง, นะางนี่นะบุ่นวายข้างนอกเสียงดังนะไม่สงบหรือุ่นวายข้างในจิตมันฟุ้งของมันเองนนแะถ้าเรามองเห็ น, นจริงมันก็เป็นเพียงแค่อากาศเฉยๆนะใจจริงไม่ต้องเป็นดิ้นตนอะไรเลยแค่รู้เฉยๆนะ มันจะไม่กระเทือนมันก็วุ่นวายอยู่นะแต่ไม่กระเทือนไม่เป็นไรนะคือล้วพอเราไม่ให้ค่าไม่ให้ราคากับมันนะมันทำอะไรเราไม่ได้เลยแต่ทุกสิ่งที่มันทำให้เราเป็นเพราะว่าเราให้ค่านะให้ราคานะให้ค่ามันกลายเป็นความชอบเป็นความไม่ชอบนะเป็นความถูกเป็นความผิด เป็นความดีเป็นความไม่ดีนอ่หลวง่องเขียนเดี๋ยวพูดนะแบบปฏิบัติธรรมนะไม่ต้องเอาเหตุเอาผลไม่ต้องเอาถูกเอาผิดไม่ต้องเอาดีเอาไม่ดีฟังแรกๆก็ยากหน่อยนะไม่เอาถูกเอาผิดเอาดีเอาไม่ดีเอาเหตุเอาผลนะเพราะเวลาเราไปเอาเมื่อไรเราเป็นทุกข์นี เอาเมื่อไหร่ก็ไปทะเลาะกับคนอื่นนะไปโทษคนอื่นใช่ไหมเราถูกเธอผิดนะเราดีเธอแย่บางทีก็ว่าตัวเองนแหละเราคิดไม่ดีเราคิดแยนะ่มันเอาถูกเอาผิดเอาดีเอาไม่ดีเอาเหตุเอาผลนะทำไมทำแบบนี้แล้วไม่ได้อย่างนี้นะต้องทำแบบนี้มันถึงจะดีถึงจะถูกนะ เหตุผลคือความคิดนะแต่ถ้าใช้กับเรื่องทางโลกก็ใช้ไปนะแต่ในเรื่องการวางใจเนะี่ยไม่ให้เอาหรือก็ใช้เป็นแบบสมมตนะิใช้เป็นแบบสมมติอย่าไปจริงจังเคร่งเครียดกับสมมตินะ่ะถูกผิดดีชั่วเหตุผลสมมติแต่ละสังคมแต่ละสถานการณ์มันสร้างขึ้น <c oughs> มันไม่ใช่เป็นกฎ ของธรรมชาติจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นเรียกว่าเป็นอะไรที่มันเป็นสาคนจริงๆเพราะที่จริงแล้วเราจะศึกษาให้ท่องแท้ถึงสมมุติต่างๆพวกนี้แหละถ้าเราไปยึดสมมุติเนี่ยมันเป็นทุกข์นะแต่ถ้าเราเห็นสมมุติใช้สมมุติให้ถูกต้องนะมันไม่เป็นทุกข์นะเหมือนเราใช้เครื่องมือสิ่งของต่างๆ ถ้าเราใช้มันเป็นมันก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นใช้ไม่ระวังมันก็เป็นโทษใช่ไหมมันเป็นโทษเหมือนเราใช้มีดเราใช้เป็นก็เป็นประโยชน์มากไม่ระวังหรือเผลอพลาดพังไปก็อันตรายนั้นสมมุตินี่แหละมันคือสิ่งที่ถ้าเราไม่ระวังใช้ไม่เป็นนะมันเป็นโทษมากแต่ใช้เป็นเนี่ยเป็นประโยชน์มาก อย่างบทีภาษาธรรมะก็พูดยากนะพูดยากนะไม่รู้จะใช้อะไรนะอย่างบอกว่าเดินให้รู้สึกตัวอหรือเดินกําหนดนรู้สึกตัวไอ้มาว่าบางทีภาษาก็ยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่บางทีมาไม่ค่อยอยากใช่นะเดินรู้สึกไม่อยากก็มีคําเชื่อมเลยนะมันตัว พดีคาว่าให้มันก็จะเหมือนเป็นการไปบังคับมันไปนะหรือเดินแล้วรู้สึกตัวแล้วก็เหมือนช้าไปสักหน่อยนะแบบภาษาบางทีมันก็ไม่ร้จะเอาอไมาเชื่อใมันให้มันแบบพอดีพอดีมันพูดยากนะบางทีก็ละัะไปเดินรู้สึกทำอะไรก็รู้สึกแต่โครงสร้างภาษามันมันไม่ถูกกันนะ แต่โดยกิริยาอาการที่มันสแสดงอะ่ะมันคือแบบนั้นน่ะมันทำปุ๊บมันก็รู้ปับ๊บทันทีนะมันมันไม่มีการกอดหรือหลังนะไม่มีการบังคับนะหรือจงใจอะไรนะแต่มันเป็นสภาวะที่จิตมันมันสัมพันธ์กับร่างกายนะ ทราทำไรแล้วก็รู้ทำไรก็รู้แบบนนีะ้แต่ก็อย่างว่านกะคนใหม่ๆก็อาจจะมีความตั้งใจสักหน่อยนะมีเจตนาสักหน่อยเพราะว่าจิตมันยังไม่เคยชินตรงนี้นะจิตมันเคยชินในการคิดนะจิตเคยชินในการหลงนะมีเจตนาในการทำในสะ่ใจ ใ, ในการรู้นะ มันก็อาจจะมีความจงใจสักหน่อยแต่ถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆเราพยายามก็ที่จริงก็ไม่พยายามมันก็ยังมากไปนะแต่ให้มันค่อยๆลดความจงใจความพยายามตรงนี้นแหละนะให้มันรู้แบบให้มันรู้แบบเป็นธรรมดานะเพราะความรู้สึกตัวเราไม่ได้เอาความชัดหรือความไม่ชัดนะเราไม่ได้เอาความรู้สึกว่า เอคือมันเป็นแบบไหนเราก็รู้แต่นั้นแหละมันรู้สึกเบาๆก็รู้สึกเบาๆรู้สึกหนักๆก็รู้สึกหนักๆรู้สึกชัดก็รู้ชัดไม่ชัดก็รู้ไม่ชัดนะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปให้ค่าว่ามันชัดดีกว่าไม่ชัดอะไรแบบนี้ยถ้าเป็นแบบไหนเราก็รู้อย่างนั้น เหมือนพูดเจ้าทั้งสอนให้เราบางคนอาจจะสนัดดูลมหายใจ น, นะหายใจเข้ายาวก็รู้นะหายใจเข้าสั้นก็รู้นะหายใจออกก็รู้นะออกยาวรู้ออกสั้นรู้นะละเอีดยดหรือหยากรู้ถ้าไม่สอนให้เราต้องหายใจยาว <c ười> จนถึงท้องนะบางคนหายใจไม่ถึงท้อง ก็รู้แค่ว่าหายใจใช้หนนะ้าอกก็ได้แล้วนะอืไม่ต้องว่าหายใจให้ยาวท้องพอมหายใจออกท้องยุบนะกลายเป็นเครียดกับการหายใจ <c oughs> ในะยกมือก็เหมือนกันนะไม่ต้องว่าแบบไหนคือท่าที่มันถูกรู้สึกตอนเคลื่อนไหวก็ได้รู้สึกตอนหยุดนิ่งก็ได้รู้สึกตอนที่มันกระทบก็ได้นะ ตอนไหนที่มันรู้สึกได้ตอนนั้นและถูกแล้วนะไม่จาเป็นต้องเป๊ะรู้สึกทุกการเคลื่อนไหวรู้สึกทุกการหยุดนิ่งรู้สึกทุกการกระทบนะถ้าเราจะไปกำหนดเอาทุกอันเลยเนี่ยมันจะเครียดนะมันมีทั้งการเคลื่อนหยุดกระทบนะที่มัน มันคล้ายๆมันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละเรารู้สึกตรงไหนได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนะถ้าเรารู้สึกแบบเนี้ยบ่อยๆความคิดมันแทรกได้น้อยนับเดียวไม่ถึงวินาทีนะี่ไม่ถึงวินาทีถ้ามันจะคิดอะไรนะเพราะเราก็มีความเคลื่อนไหวใหม่มีการหยุดใหม่มีการกระทบใหม่ความคิดมันก็นิดเดียวไม่เป็นปัญหาดหอกนะอย่าไปกลัว เรารู้อะไรได้นะเราถนัดรู้ตรงไหนนะหรือมันรู้ของมันเองตรงไหนก็รู้ตรงนั้นแหละนะทําให้มันสบายผ่อนคลายแล้วก็อย่าอย่าไปจมใจที่ส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าเราไม่จมใจที่ส่วนใดส่วนหนึ่งมันจะรู้แบบเป็นธรรมดาธรรมดาบางทีมันก็ไปรู้ลมหายใจรู้กระพิษตารู้ลมกระทบนะมันเป็นตัวแถมนะ ไม่ได้ไปเอามาพร้อมกันนะนะไ ม, ไม่ไม่ใช่แบบพยายามจะจับปลาสองมือนะะเอาไปด้วยพร้อมกันนะก็ไม่เอานะมีตัวตักอย่างอื่นก็เป็นตัวแถมไปนะเรารู้ตายนะมันก็จะเห็นใจนะเห็นอาการของใจนะสุขขึ้นมาก็รู้นะทุกข์ขึ้นมาก็รู้ คิดก็รู้นะคิดเยอะก็ยิ่งดีนะจะได้รู้เยอะออแต่คนทีถ้าเราไม่สมสติตเราไม่ค่อยเห็นความคิดออกไม่ค่อยเห็นความคิดนะมันคิดไปแล้วอ่ะคิดมันก็ค่อยรู้ทันแต่ถ้ามีสติจะเห็นนะว่าบางทีความคิดมันเหมือนยุงเลยเจริงๆตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะหลวงพ่อพูดนะหลวงพ่เขียนบอก ถ้าเรามีสติเหมือนเรานั่งอยู่ในมุ้งนะอยู่เหมือนบินตอมอยู่นอบมุ้งมันทําอะไรไม่ได้นี่แต่พอภาวนาไปจริงมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วที่หลวงพ่อว่าสติมันอยู่ในมุ้งจริงๆริงนะนี่มันจะคิดก็คิดแต่มันเหมือนเหมือนดึงเราไปไม่ได้มันเหมือนดึงมันก็คิดไปอย่าฉันไม่ได้มีตาระอะไรมาถึงว่าจะคิดดีหรือคิดไม่ดี ก็ก็ไม่ไมหลงไปกับมันนะก็แค่นั้นนะมันเหมือนก็เห็นมันคิดเรื่องของมันนะปรุมก็เรื่องของมันนะดูก็ดูความคิดได้นะแต่การดูจิตดูความคิดอย่าไปหาดูนะอย่าไปคอยดูนะเราจะเอาจิตไปหาจิตนะมันหาไม่เจอนะมันเราจะ คอเดินหาเงาตัวเองอะนะหาวิ่เจหรอกนะเงามาอยู่ข้างหลังนะน่ะเราจะจิตไปหาจิตไปหาดูความคิดไปหาดูความรู้สึกไปหาดูอารมณ์อะไรต่างตนะ่างน่ะมันหาไม่เจอแต่ถ้าเมื่อไหร่เอกใจว่าไอ้จิตที่กําลังไปหานี่ยแหละดู้ทันจิตที่กําลังไปหาดูนี่ยแหละอันนั่นคือจิต <c ười> นะี่คือของจริงนะเอ่ เราจะเอาคือเราจะอยากจะรู้จักตัวเราเนะี่ยแต่เราไปคิี่ยวหาตัวเราอยู่ตรงไหนเนะี <c> ่ย <oughs> ตัวเราอยู่ตรงไหนเนะี่ยอะไรนะไม่ไม่ทันไม่ดูไอ้ตัวเราเนี่ยคือกำลังหาเนี่แหละกำลังเดินอยู่เนี่แหละนีย่ยจิตที่ไปหาจิตนะมัญหาไม่เจออคือเราพ ย, ยายามพจะแสวงหาธรรมะนะ อยากจะรู้ธรรมะอยากจะพบธรรมะอยากจะเข้าใจธรรมะเหมือนเราเอาตัวเราไปหาสิ่งอื่นข้างนอกตัวนะนะั่นหมันหาไม่เจอแต่ถ้าเมื่อไหร่เราย้อนกลับมาเห็นที่จริงก็คือเห็นธรรมะก็คือเห็นการกระทธรรมนะนะั่นแหละเห็นธรรมนะธททรรมนะ ท, ทอทหารตะอั้มนะธรรมทอทองนะรอนันมอม้านะอันเดียวกัน ภาษาไทยดีมากงางคำนี้นะอืทำสองตัวเนี่ยมันคืออันเดียวกันเห็นกายมันทํำน่ะก็คือเห็นธรรมะแล้วเห็นวาจาเขาพูดกระทําน่ะก็คือเห็นธรรมะแล้วเห็นใจเขาคิดเห็นใจเขาสแสดงหาเมื่อเชอเราย้อนมาเห็นตัวมันทํางานนะนั่นคือเราเห็นธรรมะแล้วจริงจริงๆนะเอที่เรารู้กายรู้ใจเนี่ยก็คือนะี่ยพอเห็นมันทําแล้ว มันก็เป็นอาการของของกายของ ใ, ใิเฉยอาจารที่บอกว่าถ้าเราจิตไปหาดูนั่นดูนี่นะแต่เมื่อใ่ที่เราเห็นว่าไอ้จิตเนี่ยมันออกไปหามันกลับมาเห็นเลยไอ้ตัวที่มันทํางานอยู่ตัวเนี่ยมันหยุดปรุงแต่งมามแลนวเพราะนิพพานนะชื่อหนึ่งก็คือวิสังขานคือการไม่ปรุงแต่งแล้วหยุดแล้วนะ เมื่อจิตเป็นสแสดงหามันปุงแต่งออกไปพอเรากลับมาเห็นจิตที่มันสแสดงหามันก็กลายเป็นวิสังขารไม่ปุงแต่งง่ายๆนะรู้กายก็รู้แบบนะี้เห็นมันทำํำนะเห็นมันพูดนะรู้ใจก็เห็นมันคิดหรือเห็นมันรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยแหละเห็นธรรมละไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะบางทีเราคิดว่า ต้องไปหาความธรรมเพื่อจะได้ช็อตเต็มนๆนะจะได้รู้ธรรมง่ายๆนะหรือต้องไปคอยหาถามครูบาอาจารย์ว่าเราทําถูกหรือเราทําผิดนะท่านอาจจะบอกเราก็ได้นะแต่มันก็แค่ช่วงขณะหนึ่งที่บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่จริงถ้าจะว่าไปจริงมันก็มีปฏิบัติไปก็มีทั้งถูกแล้วก็ผิดไปเรื่อยนะ ปฏิบัติแล้วที่จริงก็คือจะเห็นสิ่งที่ผิดพลาดไปเรื่อยๆอย่าไปกลัวมันผิดนะมันผิดเพื่อให้เรารู้ว่าผิดเป็นแบบไหนนะผิดเป็นแบบนี้อ่าจิตก็จะฉลาดขึ้นนะจิตก็จะฉลาดขึ้นอ่แต่ก่อนคิดว่ามันถูกนะเหตไปเรื่อยๆ็อ้มันก็ผิดเนาะแต่ก่อนคิดว่าเราฉลาดนะภาวนาไปเรื่อยๆทำไมเรโม่จังนะโง่ โง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดเ <c oughs> นี่แหละคือแต่ก็ดีนะพอเห็นตัวเองโง่นะ่ะมันก็ฉลาดขึ้นของมันนิดนึงนะ่ะค่อยๆฉลาดขึ้นนะ่ะแต่ก่อนคิดว่าเราแน่เราเก่งนะก็เห็นนะเออมันไม่แน่ <c oughs> มันไม่ได้เก่งจริงหรอกนะ่ะนี่คือพภาวนาไปที่จริงก็เห็นสิ่งที่มันผิดนั่นแหละคือธรรมะนะเห็นสิดที่มันหลง นั่นแหละคือธรรมะเห็นสิ่งที่มันไป็ลงยึดมัน่นถือมัน่นนั่นแหละคือเห็นธรรมะนะเห็นธรรมะจริงก็คือเห็นที่จริงจะว่าไปก็คือเห็นไอ้ไม่ดีนั่นแหละเห็นสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆถ้าโดยโดยสมมตินะเราก็เดียวไม่ดีแต่จริงเห็นว่ามันดี <c oughs> มันจะได้มันจะได้แก้ไขนะใช่ไม เราซักผ้านะเรเห็นเพื่อตรงไหนมันจุดไหนมันดากว่าเพื่อนนะเราก็ซักมันไปให้มันมากกว่าเพื่อนหน่อยนะมันก็สะอาดขึ้นนะเรากวาดบ้านเราก็กวาดทั่ทวๆไปแต่จุดไหนมันสกรปรกเราก็เน้นมากสักหน่อยเองเลยนะนะเห็นกิเลสตัวเองนะก็มันดีนะแต่พอภพาวนาไปจริงมันก็ที่มันดีก็ไม่ใช่เราดีนะนะ จิตมันแค่ก็คือมันเป็นเรื่องของจิตจิตมันดีขึ้นของมันเองจิตมันเบาของมันเองนะจิตมันฉลาดของมันเองจิตมันเลือกที่จะไม่ทุกข์ของมันเองะคล้ายๆเหมือนเราไปจับน้ําร้อนนะมือมันก็ชักของมันเองนะจิตเมื่อเราเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งรู้ว่าสิ่งนี้เมื่อไปยึดแล้วเป็นทุกข์ไปแบกแล้วเป็นทุกข์นะ มันก็หุดของมันเองนะอย่างที่ออกบางทีเราบอกให้กลับมารู้สึกตัวที่จริงก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะถ้าเรียกว่าให้กลับมามันเหมือนจงใจแต่จริงพอมันไปเห็นและมันก็กลับของมันเองถ้าสติมันเห็นจริงๆนะไม่ได้มีความจงใจที่จะกลับมันกลับของมันเองเพราะมันเห็นว่าปรุงแต่งนะ มันเป็นตัวทุกข์นะมันก็กลับจากการปรุงแต่งของมันเองนะมันโกรธมันเป็นตัวทุกข์นะโกรธมันไม่ใช่จิตที่ปกติมันก็กลับของมันเองนะจิตมันเป็นของมันเองนะพอภาวนาไปแล้วก็จิตมังก็เป็นของมันเองนะเราไม่ได้ไปเก่งไม่ได้ไปดีอะไรจิตมันก็พัฒนาของมันเอง เนี่ยคือสิ่งที่ที่เราก็ฝึกหัดฝึกฝนไปเนา ะ, นะวันนี้พวกเราก็เป็นใหญ่ก็เคยฝึกกันอยู่แล้วนะก็พัฒมาก็สบายก็ปฏิบัติเป็นเพื่อ น, นปฏิบัติเป็นเพื่อนมีอะไรสงสัยก็ถามได้แต่คนสอนเนี่ยจะเหนื่อยตอนถ้าคนปฏิบัติ ไม่ค่อยตั้งใจเลยนะต้องนอกจากเราสอนนะเราต้องมาคอยกํากับมาคอยนั่นนี่ไม่ให้เขาวุ่นวายนะมันเหนื่อยเพราะการกํากับมากเหนื่อยกว่าการสอนนะแต่ถ้าคนตั้งใจมาแล้วเนี่ยโอไม่มีอะไรมีแต่สอนนะหรือบางทีเขาไม่ต้องสอนมากนะให้เราไปเจอเองนะมันจะสอนด้วยตัวของมันเองนะอนะแต่มีอะไรก็ถามได้นะมีอะไรก็ทักถามกันได้นะ หรือเปนคนเอาไว้ดูก็ได้นะเห็นมันสงสัยรู้ว่าจิตมันสงสัยก็ถูกแล้วนะไม่ต้องเอาคำตอบก็ได้นะเพราะเมื่อไหร่เจ้าเราเห็นจิตมันสงสัยนะความสงสัยคำถามมันหายไปนะเมื่อความสงสัยมันหายนะคำตอบก็ไม่จำเป็นละมันไม่มีคำถามก็ไม่จำเป็นต้องมีคำตอบนะ แต่ถ้าจิตยังยึดในคําถามอยู่มันก็รอคําตอบเ <c ười> นี่ยดูดูมันตรงๆรงนะดูมันซื่อๆนะมันเกิดอะไรก็ก็ดูมันตรงตรงซื่อๆนะสังเกต ด, ดูนะอกายกายเนี่ยมันซื่อๆตรงๆมันไม่รอกมันเกรงนะ่ะเราก็เห็นมันชัดๆนะมันสบายเราก็รู้มันได้ชัดๆนะ เนี่ยกายมันสแสดงความซื่อนะนะให้เราเห็นชัดจิตถ้าเราเห็นจริงจริมันก็ซื่อมากนะนะมันสแสดงความไม่เที่ยงชัดเจนมากแบบนะั่นะนะแบบนี้นะไปเรื่อยของมันนะแบบไปทาตาบ้างแบบไปทาหูบ้างนะแบบไปทาใจคิดนึกบ้างแบบเร็วมากนะจิต พุทเจ้าเปรียบคล้ายเหมือนดิงจริงๆนะมันไม่อยู่นิ่งนะเราไม่ได้มาทําให้มันนิ่งนะแต่ให้เราเห็นว่ามันไม่นิ่งนะเข้าใจไหมถ้าเราเห็นมันไม่นิ่งเน่ะมันเป็นเรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเรานะอืเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะถูกแล้วนะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปบังคับมันไปบังคับทำไมบังคับก็เนเลย ไม่บังคับนะดูมันดูมันบังคับไม่ได้สบายกว่าแต่เราจะไปบังคับมันเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆภาวนาไปนะนบางทีครูบาอาจารยบอกไม่ต้องทำอะไรจริงๆนะดูมันเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่ถ้าทำอะไรเนี่ยโอ้มันเหนื่อยมันหนักมันยากนะมันยุ่งนะแต่เราก็ทำแบบสมมุตินะี่เนาะนะเล่นไหวนะ สร้างสติตให้มันรู้สึกตัวนะแต่ใจจริงๆแล้วแทบไม่ต้องทำอะไรนะเพียงแค่รู้เฉยๆมันมันจะสบายมันจะเบาวันทั้งวันที่หลวงพ่อพุทธทานนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าไม่ได้ทำทางใจนี่แหละนะแต่ทางกายก็ทำเยอะแยะมากมายนะแต่ทางใจไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ยึดมัน่นถือมันว่าเป็นเราทำ ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นผลงานของเราไม่ได้ยึดมั่นถือมัน่นถ้ามีใครจะว่ามันดีหรือไม่ดีก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นมันไม่เป็นทุกข์ว่าตรงนี้หนักกับปากไวนะ้